เพื่อเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่นี่ไปยินสิ่งที่เราได้ทำเราทำในสิ่งที่เราได้ยินมาสิ่งที่เราได้ยินนี่มีมานานแล้วสอง9ัห้าร้อยเก้าสิบเก้าปีมาแล้ว เรายังไม่ได้ทำก็มีได้จริงที่เราได้ยินมาีนไม่เอามาทำก็เลยไม่เกิดประโยชน์เราก็ว่าเราทั้งหลายปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคบส อ, งสอนของพระพุทธเจ้าพระุทเจ้าสอนอยังไงให้มีสติไปในกายเราได้ทำแค่ไหนเพียงไร ในกายในใจเหล่านี้มีอะไรไมาใช่ไปทางไหนบ้างแล้วเป็นของใครกลายเป็นของใครใจเป็นของใครวันหนึ่งหลงหรือวันหนึ่งลู่ชั่วโมงหนึ่งหลงหรือชั่วโมงหนึ่งมันลู่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องมีคําถามถ้าหากว่าจริงถ้ามันถ้ามันหลง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 ส่วนมากจะวิ่งเลาะอยู่ตามฝั่งโน้นดูมีความรู้สึกตัวนี่มีไม่มากรวมหลงมีมากในชีวิตของคนคนหนึ่งเราจะมาเห็นได้เวลาเราฝึกกรรมฐานการมีสีเปเญกายอยู่เป็นประจำชั่วโมงหนึ่งมันหลงหรือมันรู้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 จบลงด้วยความหลงจบลงด้วยความสุขความทุกข์มันไม่ถึงที่หมายยังอยู่ที่เก่าหรือไปไม่ถูกทิศถูกทางไม่ได้หัดไม่ได้นตัวเองมันก็ใช่ไป็ได้เราได้รู้สิ่งที่มันรู้ก็มีอยู่มีกาอยู่นี่มีใจที่มันคิดไปนโน่นไป น, นี้ มันคิดไปก็รู้ได้สนมันเวลามันหลงที่มันคิดความหลงที่มันเกิดจากความคิดความคิดตอมไม่หลงเราจะได้รู้มันได้ศรนมันเมื่อผิดไม่ได้สอนมันก็ผิดไปตะพื้ตะพื้เหมือนสอนอะไรเหมือนกันครูสนนกเรียนทวนช่างฝึกช่างสตรีฝึกมา แล้วก็ฝึกได้แม้แต่ฝึกสัตว์ไล่ๆก็ยังฝึกได้ไมไปเห็นอยู่ที่สิบสองปันนาเสือโค้งตัวย่อยๆก็มาฝึกสองตัวให้ฉีลูกบอลยิ่งไปยิงมาบนเวทียิ่งถอยหลังด้วยเป็นวงกลมเป็นรูปอะไรต่างๆตาม ที่เหมือนแสดงออกเมื่อมันหมดเพลงแล้วก็ลงลวเข้าไปอยู่ในกลงเราเปิดเพลงขึ้นมันก็วิ่เดือดจากกลงมามาขึ้นลูกบอลจก้งไปจิ้งมาฉองทัวใหญ่ๆเิ้งสลับกับกันไปมาแพ้ไตเชือกเลาวลีงขี่หลัง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 ยืดสองเท่าใครๆก็ไปโกดคอถ่ายภาพนกยุงแล้วก็ปล่อกปีดมาเป็นพันๆตัวบินมาในปา่านี่เขาหัดมันยังหัดได้นี่คนเราแท้ๆเนี่ยมันไม่มากขนาดนั้นไม่ให้หัดแบบนั้นมันหลงให้ลูดให้นี่เอง มันปฏิบัติได้อยู่ทำได้อยู่แล้วมันสุขให้รู้มีไหมมันทุกข์ให้รู้มีบ้างไหมความทุกข์ความสุขความหลงความโกรธที่เลยต้งเนาาาื้อละคะมีไหมแต่มันมีเราก็สอนให้มันรู้ซะไม่เห็นไห่เห็นเราก็ไม่เป็นมันสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุ ข, สขพ้นจากความสุข ไปทางนี้มีสติแต่สติมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สติที่ไปสงบนิ่งเหมือนก้อนหินไม่ใช่สติมันจะเป็นสิ่งที่โสล อ, อะไรที่ไม่ใช่สติสสนให้เป็นสติทั้งหมดเป็นสติสมจัญญะทั้งหมดดูซึกระลึกได้จบแถวแผ่นดินสุดแค่นี้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 มาเท่าไหร่ก็จบลงได้จนไม่เป็นอะไรกับอะไรชีวิตที่ถึงที่หมายไม่เป็นอะไรกับอะไรนั้นก็ไม่ใช่จ่า้อะไรมาตั้งชีวิตตั้งอยู่ในชีวิตเรานี่แตอะไรมาตั้งก็ไม่ไม่รู้จะตั้งที่ไหนเพราะมันไม่เป็นอะไรไม่มีที่ตั้งไม่ให้ค่า กวมหลงไม่ให้ค้าความสุขกวงทุกข์ไม่ให้ค้าทำาไม่ไม่มีทำาไม่สลัดคืนเหมือ น, มนไม่มีที่ตั้งเขาก็กลับของเขาเองอะไรที่เป็นแปดหมืนสี่พันอย่างที่มันเกิดขึ้นมาปลายกับใจที่เละพันห้าตันหา1อยแปดมันบ้าจะอาศัยตรงไหนเพราะมันไม่มีอะไร ชีวถึงที่ไม่มีอะไรแล้วอะไรจะมาตั้งอยู่ได้จริงๆเป็นการเหนือเกิดแจ็ เ, เจ็บตายลักษณะแบบนี้ในชีวิตที่ไม่เป็นอะไรมาทำทำอะไรละ่ะมันก็ทําทุกอย่างที่มันเป็นการงานชอบผู้ชอบคิดชอบมันมีเยอ ะ, เ, ยอะเมื่อมันหลุดจากนี้ไปนะ่ะถ้ามันยังไม่หลุดจากนี้มันคุ้มร้อยคุ้มดี บางทีก็เบื่อหนอยบางทีก็ชอบบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจทําตามสิ่งเหล่านั้นไปวันตันถ้าไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วมันค่วงใหญ่ไพศาลเกิดอกเหงือนมือสองข้างขี้บางเสียทั้าอกวันนี้มนเบ้ออกไปวัวออกไปเปิอดอกกว้างใหญ่ไพศาล สุขมันเหมือนกับขี้มาถึงตัวจนกับความสุขทุกข์ก็จนกับความทุ ก, ก, ก, กข์แคบๆไม่กว่วงใหญ่ไพศาลมันก็นเลยอิสระภาพแต่ทําอะไรเลยทําสิ่งที่มันชอบพูดอะไรพูดในสิ่งที่มันชอบไปหมดเลยไปเป็นพวงเลยเราผมชัว่วทำความดีจิตบริสุทธ์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 งานยุ่งเจิงสับสนหลงแน่หลงอีกหลงจนตายโกจนตายทุกจนตายจนตายไปเ ร, ระ่าๆยิ่งจะมากไปด้วยถ้าเราไม่หัดมานาะออกหน้าออกตาไม่มีความรู้สึกตัวช่วยเลยในชีวิตตั้งชาติทันสมัยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทันสมัย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 เมื่อไม่ทำชั่วมันทำไม่ทำท ำ, ทำแต่ความดีจิตบริสุทธิ์มันทบไะหรลเะเ๋อแค่เกิดเมตตากุณาขึ้นมาเต็มชีวิตไม่มีขอบเขตแต่ก่อนอาจจะเลักแต่พ่อแต่แม่แต่พี่แต่นกนะพันยาสะมีลูกเต่าหลอหลานผมมันมีผมรู้สึกตัวมัน ไม่เป็นอะไรมันก็เกิดความรักมาแทนที่มหาคุณลุงนะที่คุณเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่างเหมือนกับอันตรพานว่างเพื่อรับเต็มไปด้วยคุณความดีว่างจากความไม่จากความทักวเต็มไปด้วยความดีว่างแบบนี้นะไม่ใช่ว่าง ไมด้หัวใจเต็มไปด้วยเมตตากรุณาไม่เหือดไม่แห้งแม่หน้าบูเขาจะคว ó n ันไม่ได้สงสารรักโชอบไม่ดินไม่เห็นเมรใจโอนหวหลากหลาสิ่งต่างๆมันเกิดจากการรักตัวเองมันเห็นตัวเองน่ยเห็นตัวเองก็เห็นคนอื่นถ้ารักตัวเองเป็นคนรักคนอื่นได้จะหลงยังไง สงสารตัวเองจะทุกข์่ังไงสงสารตัวเองจะโกรธจังไรสงสารตัวเองให้โกรธก็เหมือนกันไม่ไม่ต่างกันมันจะโกรธได้ไงก็ตื่นที่ช่วยกันโอ้ทู่ตื่นขึ้นมามีอะไรก็ทำเป็นสุดความสามารถละความช่วยได้แล้วชวนก็ดื่นละ ทมคมดีเลยแล้วชวนคนอื่นทมกิจบริสุทธิ์แล้วทมชวนคนหนื่ยเขากิจบริสุทธิ์ต่อไปต่อไปจบไปไม่จบไม่สิน้นและก็วิงานเกิดขึ้นมากมายเห็นไหมพระพุทธเจ้าสี่ห้าปีนิพพานแล้วตั้งแต่อายุสามสิบหกปี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 บีมือของพระสงฆ์สมัยตัวมาจอดผูเขาสร้างวัดได้เสลาหลังใหญ่กว่านี้ก้าหลังใหญ่กว่าเสลาหัวใจนี่ยจอดหินนั่งดุ้นเลยผูเขาเป็นลูกตัวอยู่เป็นลูกตัวอยู่จอดเป็นเสลาเป็นเสาเป็นคือเป็นฝาเป็นผนังเป็นห้องนอน มีมนุษย์คนไหนที่ทำได้ขนาดนั้นแต่เราสร้างอยู่เนี่ยี่ปีแล้วยังไม่เท่าสัลลาบนอชัท้าเท่าหนึ่งหลังเท่าไหรไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยปีสามร้อยปีค้ามต่อกันมานี่คือ มันไม่เป็นอะไรมันก็สนุกทาไปดูเอาโกลงพุทโธอินโดนีเซียดูสิใหญ่ขนาดไหนตอไพื้นที่ประเทศไทยก็ยังมีเล่ารอยก็มาเห็นเถะเฉละอุตละใช่ไหมใช่ปะแนนปะ <c oughs> มาเห็นเถอะเอไม่ใช่นะ <c oughs> มาโซนนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โซนอุตละนะหัวจมไม่จมไม่ได้นะสงรูป ข, ข้ามน้ำข้ามทะเลมาตาขึ้นฝั่งตะกัวป่าจังหวัดพังงาเราไปมาแล้วก็มาลอดมาทีดนะครปฐมสร้างเกดีปฐมคือขั้งแรกปฐม ป, ปะปฐมคือหนึ่ปงปฐมละหนึ่ง มาถึงสุขุพทธอยดูสิไม่เป็นอะไรชีวิตที่ไม่เป็นอะไรมันทํามาหลายนี่แต่รวตัวเองก็ไม่รักตัวเองไม่รับผิดชอบจะไปรับคนอื่นได้ง่ายเสียหวันที่ผ่านมาท่านพูดว่าใจพูามาคุยกันน้องพ่อก็บอกว่าท่านพ่อก็สำรนเรื่องการอนุกธรรมชาติ เคยแล้วท่านพูว่าทันสมัยแล้วทุกวันเนี่ยต้องไม่อนรุรักษ์ไปรักษาธรรมชาติชีวะลองเสียวรล่าสมัยที่สุดยุคนี้สมัยนี้นะ่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถือว่าฟรีเลยทั้งชาติเลยเราพูก็พูว่าแบบนี้ว่าก็เอาด้วยก็ว่นหนุมน่มๆกันอย่าล่าสมัยกันเลยพวกเรา ต้องปฏิบัติธรรมเปลี่ยนหลงเป็นลู่นี่เปลยนหลงไปไม่หลงทันสมัยเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเป็นลู่เป ล, เปลี่ยนอะไรเป็นลู่นี่ทันสมัยที่สุดเลยดูแลตัวเองให้ดีปัจติมันเป็นเจ้าของกาเจ้าของกิจใจจะได้ปลอดภัยทิ่ีแต่ก่อนก็คืนว่างฝันกลางวันว่นวาคิด สุ่สบางทีก็ของที่รักก็เป็นตังคนของเกียดชังทำตามควมรักความชังเสียผู้เสียคนทะเลาะวิวาดทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะหมายพราใจเรานี่เราจะพึ่งอะไรกันถ้าไม่ปฏิบัติธรรมจะอยู่กันอย่างไรในโลกนี้ และนี่คืเมีนกับไทยก็ลบ ก, กันแล้วยิงมีปืนหนูซื้อปืนมายิงกันสัตว์ที่รฉารที่ไหนเขามีกันมนุษย์หรือเป็นสัตว์ประเสริฐหรือประเสริฐอย่างไรยิงจะลวดใส่กันใส่บ้านเรือนชาวบ้านม้อยวอดไปเลยอย่างนี้หรือสมมุติปัญญะอันนั้นของกูของมึงมันได้หรือไม่ให้ประโยชน์อะไรใครได้ประโยชน์ หน้าเสีดายหน้าที่จะมาลักกันเป็นฉันมิตรมาถึงฝั่งนี้จะไปอยู่ฝั่งนูน้นเหมือนหลงัวฝั่งไม่หลงเหมือนทุกมาฝั่งไม่ทุกเหมันโกรธมาฝั่งไม่โกรธ่าไม่เป็นอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่นะว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยจุดหมายปลายทาง ความรักความชังกักขังไม่อยู่ดูาวิได้ถึงภาวะไม่เป็นไรด้วยหัไทยของชีวิตเรานี่เราเกิดมาถึงปูนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันมานี่ปฏิบัติธรรมที่นี่กันเถอะตัวใครตัวมันอย่าเบียดเบียนกันอย่าใช้แรงงานกันใม่ทำด้วยความสมัครก็ไม่เป็นอะไร ไม่อยากทำก็ปฏิบัติเวลาฉันก็ไปฉันถ้าอดน้ากินไม่อิ่มบอกไม่ชีบอกจอนสงศีลบอกอ น, นะจะไปไหนมาไหนที่นี่ไม่มีรอบสักกันละ <c oughs> จำเป็นต้องใช้ปัจจัยบอกกันได้ดูแลกันได้ไม่ทอดไปทิ้งลถข่าเรือไปไหน มันครอบครัเดียวกันอย่าว่าเว่ยไก่พ่อไก่แม่ไม่มีพี่เมียน้องไม่ใช่เลยนี่แหละพี่น้องย่างยิ่งย่ย ก, กันละยานมิตรมันยิ่งกว่าสายรูหิตกันละยานมิตรไปถึงมรึงผลสายรูหิตไปไม่ถึงมรึงผลนะ่ะกันละยานมิตรหลวงพ่อเจ้าบอกทั้งหมดเลย ไปถึงมรึงถึงผลถึงนิพพานเลยชวนกันไปสุกเท่ากันทุกเท่ากันอิ่มเหมือนกันหิวหิวหมืนกันถ้า ต, ตัวเองอิ่มก็คิดถึงคนที่หิวอยู่ตันอนในผ้าห่มที่ดีก็ ค, คิดถึงคนที่มีผ้าห่มที่หนาวไอ่เสมือกันใครมาที่ไหน เหมือนกับญาติเราทั้งหมดที่นี่ไม่มีใครแตกหนนะ้ามีแต่ญาติเพื่งได้พบ ก, กันเป็นญาติกันมานานแล้วเป็นเพื่อนเคยเจ็บเจ็บตายมาเหมือนการปวดไปเบียดเบียนกันทาไมมาช่วยกันเนี่ยช่วยกันบอกกันอย่างนี้หลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยก็เอาแรกไปจากนี้ถ้ามีหลงอยู่นั่นแหละทำซะ เปนหลงเป็นลูกรวมลูกหาได้ง่ายหายใจเข้าก็ลูกกับมาหายใจเข้าอย่าไปหลงเอาความหลงคิดความหลงอยู่ไม่ใช่กลับมาหาที่ตั้งในวันนี้มิตรกรรมฐานดูขึ้นา่ายศเมืองอสร้างจังหวเข้ามาหากรรมฐานวิชากรรมฐานในจุก จุรวมหลงก็จบได้อะไรก็จบได้ถ้ามาหากรรมาฐานเราให้เหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ต้องค้นควา้าจบไม่ลงอย่างนุตาเป็นปโลกมะเล็กในก้อนเนื้อลำคอามาหมอมาตัดเอาก้อนเนื้อในคอต้องไปจ้างเขาตรวจสองสามวัน มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชีวิตก็จะตายแล้วหายใจไม่ได้หลืก็เขาจะตรวจได้ก็หลายวันสองสามวันตรวจไดอ้อืรู้แล้วว่าก้อนเนื้อในลำคอมันมาเป็นก้อนเนื้อโตเร็วก้อนเนื้อโตเร็วอเขาเลยรู้จากว่าก้อนเนื้อโตเร็วก็รีบรักษาเป็นนั่นกนหลายอย่าง ต้องมีวิทยาศาสตร์มีอะไรเยอะแยะเครื่องไม้เครื่องมืออันในทุกอันคว่ำดับทุกดอกไม่เหลือแห่งทุกไม่มีที่ไหนไม่อยู่ในชีวิตเรานี้ทําได้ทันทีจบทันทีมันหลงลูกสิ่งที่ลูกก็มีอยู่วัสดุอุปกรณ์มาผิดความลู่มีอยู่วิชากรรมฐานเปลี่ยนได้ทั้งหมด ในความทุกข์ถ้ามีกรรมาฐานห่ะเปลี่ยนทุกข์เปไม่ทุกข์ในตัวมันเองเพิ่มกันความหลงมาเพิ่มกันกับความไม่หลงหน่ำโยกน้ําบ่งความทุกข์มาเพิอมกันกับความไม่ทุกข์เห็นทุกข์ของอริสตจังเป็นเ ย, เยื่อเหติไม่พิเกเวอิมสุสตเตสุ ทำไมสุจักขงุทธปฏิทุกโลลู่เล้วมีพู้เจ้าทำไมเราได้ทำกับทุกแล้วเราทำกับทุกได้เร้วเป็นจริงอย่างนี้ทุกขงสุภทีย์ทุกขงอริสัจจังทุกขงสมบุตรทายยงองอริสัจจังจำไม่ได้โดยส่วนธรรมาจากขง ดเปียบหลวงพ่อนะั <laughs> งสมุทัยยางอุยงกันนะชัดจังปรเดยายนติมีพิกเกเบนใช่ไหมจิเบย์สูตรย์ูรทุกสมุทัยให้เกิดทุกูลกแล้วลแล้วทาแล้วทาได้แลว้วละได้แลว้วทุกขงังอันเชจังนิโรทุกขังนิโรค มหาตะพันติเมพุกเวไม่ถูกต้อขออภัยนะผู้รู้ทั้งหลายทําให้แจ้งแล้วทุกรู้แล้วมรอสมุทัยละได้แล้วนี่รู้ทําให้แจ้งแล้วมร์จะเลื่อมากแล้วจะเลื่อมากแล้วดูจะดูเห็นจะเลื่อมร์คือดูคือเห็นจะเลื่อมากรู้ทุกอย่าง อลไรที่มันเกิดกับกายกับใจไม่มีหลงเลยรู้แล้วมากแล้วมากแล้วมาแลวามวิตาผู้หลุกิริยมีสติยรภยนกายต่อเนื่องมีความแข็งแกมากมากมากมากมาหาลู่มันจะอยู่ได้ไหมความหลงนี่ยร่างบางมันเลยแทบเป็นความรู้นะโดดใส่เลยโจนใช่เลยสะดวก เปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเนี่ยโอยเป็นงานชอบที่สุดเลยเปลี่ยนทุกเป็นทุกเนี่งานชอบที่สุดเลยขยันตรงนี้ไม่ปล่อยไม่ทิ้งทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็ยกมือไหว้ตัวเองเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนทุกเป็นไปทุกเลยยกมือไหว้ตัวเองได้ไหว้ตัวเองก็คือแบบไหว้คนอื่น เขาลบคนอื่นเขาลบวงมชั่วที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเราก็เหมือนกับกวาเรเคารพคนอื่นเดีวพระเทียนสอนพวกเราว่าเคารพกองขี้หมาที่จะเคารพกองขี้หมาวอกขี้หมามันเหม็นอย่าไปเหยียบมันเว้นไปแล้วลบอกเคารพถ้ามันเหม็นเราไปเหยียบมันก็เหม็นไง ควบกูดไม่เคารพมันไม่ให้มันโกรธขึ้นมามันก็เหม็นในตัวเราทาให้ตัวเองเดือดร้อนไม่เ ค, คารพข่มชั่วเป็นเีช่างสิบบาทเดีกคนบา้าร้อยเส้นเด็กช่างสิบบาทเด็กคนบา้าร้อยเส้นนี่ก็คือชีวิตของเราเนี่ คบคนพานคบบัณฑิตคนพานเกิดขึ้นในตัวเรานี้ไม่ใช่คนพาน่ที่ไหนบัณฑิตก็เกิดอยู่ในตัวเรานี้ผู้คือภาวะที่ลูกคือบัณฑิตคนพานคือหลงความโกรธคือคนพานความทุกข์คือคนพานอย่ไปครบบัญ่าทาตามมันอากโกสลัดขึ้นงุดโต ปฏินิสิตุอนาริย์ไม่มีที่ให้อาศัยไม่ให้ไม่มีที่ให้อาศัยในสิ่งเหล่านี้ได้เรีวยว่าเขาลบสิตทิรไลเปิดเชนมันหลงมีสธิไม่หลงมันทุกมีสธิไม่ทุกโอ้ oh ความทุกไม่ชอบทรรความไม่ทุกเนี่ชอบที่สุดเลยใครใครก็มีได้ เลยเป็นประโยชน์ด้วยแบ่คนคนหนึ่งถ้ามีถ้าทำได้จริงหรอนี่มันก็เกิดอะไรขึ้นมาในโลกเนี่ยมันช่วยโลกได้ทำคุ้มครองโลกกาดทำโลกาพินาถ้าสินทำไม่กลับมาโลกาพินาถ้าทำกลับมาเรีวยกว่าคุ้มครอง เอมชอบรอกษาผู้พืชทำอยู่เป็นนิดคืออย่างนี้คือมันหลงลู่ขึ้นมาคุ้มครองแล้วเราจะครองตัวเองมีสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจซะดูแลให้มันคุ้มหนึ่งวันชั่วโมงหนึ่งเจดวันเจดเดือนเจปีออกมาอยู่ตรงนี้เราอยู่ที่นี่ได้ไหมเพื่อน